เด็กเชียงใหม่เรียนเยอะไปเราพอดูรายการนะรายการฟังธรรมะนี่ที่ยิบเลยโอฟังกันเสนเหนื่อยเหนยะ ไ, ไหมจริงธรรมะไม่ได้เรียนกันด้วยวิธีอย่างนี้หรอกนะธรรมะอ่านเอาฟังเอาอะไรเนะีย ไม่รู้เรื่องหรอกอย่างเราฟังมากๆอ่านมากๆสิ่งที่เราได้คือความจำเราเอาไปคิดพิจารณาธรรมะสิ่งที่เราได้คือความคิดความจำกับความคิดไม่ใช่ความจริงกระทั่งเราฟังหรือเราอ่านพระไตรปิฎก มันคือภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าและก็ของพระสาวกรุ่นใหญ่เมื่อฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ก็คือมันเป็นภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์มันไม่ใช่ภูมิปัญญาของเราภูมิปัญญาของเราจะเกิดได้นี่ด้วยการเห็นเห็นสภาวะอย่างที่สภาวะเป็น สิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็คือรูปธรรมกับนามธรรมในตามทฤษฎีเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้นมีสองอันคือรูปธรรมนามธรรมในอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือพนันิพานพันิพานก็เป็นสภาวะเหมือนกันเป็นปรมัตธรรมความคิดไม่ใช่ความจริง พวกเราคิดว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีคิดได้ทุกคนแต่ความจริงไม่เป็นแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรจริงๆเราก็ดูตัวเองว่าจริ ง, รงๆเราเป็นอะไรธนะรรมะเลยเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการคิดการอ่านการฟังนะั้นทำให้เรารู้หลักในเบื้องต้นว่าเราจะปฏิบัติยังไง ส่วนการคิดนะส่วนใหญ่นะพอคิดธรรมะเข้าไปแนละ้วจิตใจยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเราเราต้องมาหัดเห็นเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นไม่มีใครช่วยใครได้เอย่าว่าแต่จะมาฟังหลวงพ่อหรือผู้ช่วยสอนทั้งหลายเลยถึงไปฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือทำยังไงเราจะเห็นตัวเองได้เห็นกายเห็นใจตรงความเป็นจริงได้ส่วนการที่เราจะเห็นกายเห็นใจนั้นเราก็ต้องเห็นของเราเองหรือเราไปเห็นหน้าพระพุทธเจ้าไม่มีทางเห็นธรรมะในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งชื่อพระวักลิ พระวัคารีชอบความหล่อของพระพุทธเจ้าเดินตามดูเรื่อยๆไปทีแรกไม่ได้บวชนี่เห็นว่าถ้าได้บวชเนี่ยจะได้อยู่ใกล้ชิดมากกว่าเป็นฆราวาสก็มาบวชมาบวชเพื่ออยากเดินตามดูพระพุทธเจ้าสุดท้ายพระพุทธเจ้าคนไล่แล้วก็บอกว่าให้ไปพ้นะเพระว่าคาลีก็เสียใจจะไปโดดเขาตายพุทธเจ้าท่านก็ ไปหาก็สอนว่จริงๆแล้วผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใ ด, ดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเวบกริยาคำว่าเห็นคำว่าเห็นธรรมเห็นอะไรสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันมีรูปธรรมกับนมามธรรม แล้วพอเห็นรูปธรรมนามธรรมคือเห็นกายเห็นใจถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วจิตก็ปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมก็จะเห็นธรรมที่พ้นความปลุงแต่งคือเห็นพระนิพพานถ้าเราเห็นพระนิพพานได้ก็คือเราเห็นพระธรรมที่แท้จริงแล้วเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแล้วถ้าเรายังไม่ได้เห็นธรรมะเราไม่มีทางรู้จักพระพุทธเจ้าต้องเห็น โลกุตรธรรม่ะที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระนิพพานแต่ก่อนจะ เ, เห็นพระนิพพานได้เราก็ต้องเห็นรูปธรรมนามธรรมก่อนดูกายดูใจตามความเป็นจริงไปมันไม่ใช่เรื่องยากนี้ถ้าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นก็นคือใจมันจะเบื่อหน่ายแล้วคลายความยึดถือกายยึดถือใจ พระพทธเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหนายเพราะเบื่อหน่ายจึงหลุดพ้นเพราหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมทำเสร็จแล้วจิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกไม่ต้องทำอีกงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทำทีเดียวจบนะไม่หมืงานในโลกนะทำแล้วทำอีกไม่มีวันจบหรอก ทำมาหากินไปได้เงินมาก็ใช้ไปก็ไปหาเงินมาอีกอะไรเงี้ยไม่มีวันจบนี่ถ้าเราอยากเข้าไปสู่ธรรมะขั้นสูงนะคือพระนิพพานเนี่ยไปสัมผัสได้นะพระโสดาเนี่ยจะเริ่มสัมผัสแต่ยังไม่ชํานาญะสกิทาคาพระนาคาเนี่ยสัมผัสพระนิพพานทั้งสิ้นแต่ยังไม่ชำนานแล้วเป็นพระอราหันต์เราจะรู้ว่านิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเอง ไม่ต้องส่งจิตไปเข้าพระนิพพานที่ไหนเลยในตอหน้าตาเมื่อไรฉิตหมดความอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดตัณหาหมดความดิ้นรนปรุงแต่งในตัวสังขาร mm. ก็จะเห็นพระนิพพานสิ่งที่ปิดบังพระนิพพานไว้ที่ทำให้เราไม่เห็นนก็คือตัวความอยากตัวความดิ้นรนของใจใจมันอยากมันก็ดิ้นไปตามความอยาก สิ่งเหล่านี้ทําให้ใจไม่มีคุณภาพที่จะสัมผัสพระนิพพานงั้นงานของเราจริงๆนะขณะนี้ก็คือรู้กายอย่างที่กลเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่มีทางเลือกที่สองมีอันเดียวไม่มีอันที่สองการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะั้นคือหลักของการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองมีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้เวทนา มีสติระลึกรู้จิตสังขารมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมานะสติปัฏฐานสี่ก็คอรู้กายรู้ใจนี่เองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสติปัฏฐานเป็นเอกายยานมักเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางที่สองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเข้าใจธรรมะด้วยจิตใจของเราอย่างท่องแท้นะคอยเห็นกายอย่างที่กายเป็น คอยเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นนี่ไม่ได้เห็นด้วยลูกตาแต่เห็นด้วยยานทัศนะฟังแล้วน่ากลัวยานทัศน์คือเห็นด้วยสติปัญญาขนาดนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมนั่งอยู่ต้องเอาตาไปดูไหมถึงจะรู้ว่านั่งนี่ใส่หัวนี่รู้ได้ใจใช่ไมรู้ได้ใจเรารู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกของเราถ้าพูดภาษาไทยที่ง่าย ให้พวกเราเข้าใจง่ายคือรู้ด้วยความรู้สึกรู้ร่างกายด้วยความรู้สึกของตัวเองรู้จิตใจด้วยความรู้สึกอย่างนี้ความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้สึกโง่ความสุขมันเกิดแล้วความทุกข์เกิดเราก็รู้สึกนะกุศลอกุศลเกิดเราก็รู้สึกหัดรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าบุญบารมีเราพอนะไม่มีกรรมชั่วตัดรอน เราควรจะได้ธรรมะนะถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านชี้เลยว่าจะถึงพระอารามหรืออย่างต่ำพระนาคาของเราบุญบา ร, รมีน้อยว่อยู่คนยุคนัน้นะได้โสดาบันก็บุดนักหนาแล้วนะนั้นอยากได้โสดาบันเนี่ยไม่ใช่ร้องขอมาอธิษฐานนะเอาข้าวมาใส่บาตรเอาจีบอมาถวายหลวงพ่อแล้วขอให้ได้พระนิพพาน นั้นโง่เกินไปโง่ขนาดนั้นไม่ได้พันิพานหรอกเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าเราอยากลดความตรรณีของตัวเองก็ทำทานทำทานไปเราอยากฝึกใจข่มใจไม่ให้ไหลตามกิเลสเราก็รักษาศีลไวเราอยากจะมีพลังที่จะข่มกิเลสไม่ให้มามีอมนาจเหนือใจเราก็ทำสมาธิไว้อยากหลุดพ้น ก็เห็นความจริงของกายของใจดังนะนั้นทำทานไม่ทำให้บรรลุมรรคผลถือศีลก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลทำสมาธิก็ไม่บรรลุมรรคผลแต่อาศัยการทำทานรักษาศีลทำสมาธนะิมันจะเกื้อกูลกับการเจริญปัญญาถ้าใจิตใจเราฟุ้งซ่านคนทำผิดศีลจะฟุ้งซ่านคนที่จะฆ่าเขาเนี่ยฟุ้งซ่านกว่าคนที่เมตต่าเขา คนที่คิดจะขโมยเขาฟุ้งซ่านกว่าคนที่คิดจะให้เขาอยากได้ของเขาไม่มีสงบหรอกคนคิดจะนอกใจเมียไม่มีสงบหรอกคนที่ซื่อสัตย์กับเมียของตนสงบง่ายกวา่าคนโกหกหลอกลวงไม่มีทางสงบหรอกใจฟุ้งซ่านนองคิดเจอคนนี้โกหกอย่างนี้เจอคนนี้โกหกอย่างนี้ใจฟุ้งซ่านมันไม่สงบหรอกงั้นศีลคือคูนให้เกิดสมาธิ สมาธิจิตใจสงบอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพื่อกูดกับการเจริญปัญญาพอจิตใจเราอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวรู้เนือ้อรู้ตัวเลืวอเรามีสมาธิอยู่เราก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นได้ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตมักแวกนีออกไปนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเรียงร้อยเป็นระดับสวยงามมากนะถึงมีคาชมไะว่า งดงามไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดนะมีขั้นมีตอนนะในการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ๆก็บรรลุเลยไม่ใช่ต้องฝึกต้องหัดหลวงพ่อจะให้การบ้านกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเชียงใหม่หรือว่าญาติโยมทั้งหลายรู้สึกตัวไวแล้วเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปจำประโยคนี้ไหมนะรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอย อย่าบังคับตัวเองบังคับตัวเองไม่ใช่รู้สึกตัวเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวเรียกว่าบังคับตัวเองแทรกแซงแล้วหรือหลงอย่างนี้นะไม่ใช่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวธรรมดาอย่างนี้แหละรู้สึกตัวไปแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเนี่ยเห็นมันทางานเห็นด้วยความรู้สึกไม่ต้องไปนั่ง อย่างนี้นะบ้าตายนะรู้สึกไปคอยรู้สึกไว้เห็นด้วยความรู้สึกขนณะนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุก็รู้สึกเอาขณะนี้ใจเราดีหรือใจเราชั่วโลภโกรดหลงก็รู้สึกเอาไน่คอยรู้สึกคอยรู้สึกไปแล้วไม่นานเราจะเห็นความจริงของกายไม่นานเราจะเห็นความจริงของใจความจริงของกายคือมันถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นั่งมานานๆไม่กระดุกระดิกทุกข์ไหมนอนไม่กระดุกระดิกทุกข์ไหมอย่างพวกไปลำบากน่ะนอนทุกข์มากนะไม่ใช่สุขนะที่มันคลายทุกข์เข้ามาเพราะมันกระดุกระดิกหนีทุกข์ไปเรื่อยๆเรามีสติอยู่เลยรู้เลยร่างกายที่คือตัวทุกข์แต่ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันปิดบังทําให้เราไม่เห็นตัวทุกข์ เวลาเราคันใช่ไหก็เก่าแล้วเลยยังไม่ทันเห็นเลยว่ากายมันทุกข์มันก็เก่าไปแล้วยิ่นถ้าเรามีสติเห็นกายไปเรื่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายตัวเองไปไม่งานเลยจะเห็นทุกข์หรือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายใจออกเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเดี๋ยวมันยืนเดี๋ยวมันเดินเดี๋ยวมันนั่งเดี๋ยวมันนอนเดี๋ยวมันเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันหยุดนิ่งเนี่ยเห็นมันเข้าไปเห็นมันเข้าไปนะแล้วต่อไปเดี๋ยวเห็นกายหนึ่งหนึเห็นไตรลักษณ์ ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูไปดูไปก็จะเข้าใจร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งเป็นโรบอตตัวหนึง่งเราก็เป็นคนดูร่างกายเราเหมือนเอไอเหมือนหุ่นยนต์เท่านั่นใจไม่คนสั่งให้มันทํางานโปรแกรมให้มันทํางาน บางทีมันก็รวนโปรแกรมแล้วมันไม่ยอมทํางานอย่างเราเมื่อยมากๆนะเราก็บอกว่าให้แข็งแรงมีแรงลุกขึ้นวิ่งต่อได้สั่งไม่ได้แล้วโปรแกรมไม่ได้จริงเนี่ยได้ชโชครังโชคเราเนี่ยถ้าเราเห็นใจเนืองๆไปนะเราจะรู้แล้วร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นตรงนี้พอร่างกายแก่ไอตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่ไอตัวไม่เที่ยงมันแก่ไอตัวไม่ใช่เรามันแก่ มันเจ็บมันตายเพราะฉะนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจจะไม่เดืดร้อนเลยนะแล้วเราเห็นใจของเราตามความเป็นจริงนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีร้ายก็ชั่วคราวนะเห็นอย่างนี้ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางความที่จะหิวความสุขมันจะหมดไปความที่จะเกลียดชังความทุกข์มันจะหมดไปเมื่อใจไม่หลงยินดีในสุข ไม่หลงยินร้ายในทุกไม่หลงยินดีในกุศลไม่หลงยินร้ายในอกุศลเพราะมีปัญญาอย่างยิ่งนะไม่ยินดียินร้ายเพราะปัญญาเห็นความจริงนะตามรู้ไปเรื่อยๆรยรนะแล้วก็รู้เลยทุกอย่างในใจเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เพราะเห็นอย่างนี้นะใจจะคลายความยึดถือนามาทําทั้งหลายลงโดยเฉพาะเบื้องต้นจะคลายความยึดถือสุขทุกข์นะ ดีชั่วคลายตัวนี้ออกจิตเี่ก็เป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นในภูมิของพระนาคาเนี่ยจิตเข้าสู่สมาธิที่สมบูรณ์แบบนะจะไปยินดีร้ายในสภาวะที่ละเอียดยังยังยินดีในฌานสมบัตินะพระนาคายัางยินดีอยู่นะพราภาวนาถึงจิตสุดนะจะรู้ความจริงของจิตจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ย เราอาศัยจิต ท, ที่เป็นตัวรู้ไปเรียนรู้ความจริงของกายปล่อยวางกายไปเรียนรู้ความจริงของความรู้สึนกนึคิดสุขทุกข์ดีชั่วนะแล้วก็ปล่อยวางกามและปฏิฆะความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสประทับคะหรือปล่อยวางกายได้ท น, นี่ภูมิธรรมของพระอนาคามแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยเห็นความจริงของจิตผู้รู้นะปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ได้ จิตผู้รู้แตกสลายไปหลวงพ่อไปเจอครูบาอจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเห็นหน้าท่านหลวงพ่อก็เข้าใจแล้วว่าท่านภาวนาได้ขนาดไหนหลวงพ่อก็ถามท่านถามไม่ใช่เพื่อเอาความรู้ละใแตถามเพื่อชวนคุยเพื่อความร่าเริงในธรรมะหลวงพ่อถามท่านหลวงปู่หลวงปู่ป ฏ, ฏิบัติแตกหักยังไงท่านบอกอ๋อ เราทำลายธาตุรู้ไปท่านบอกงนี้หลวงพ่อก็บอกอ๋อทำลายจิตผู้รู้ท่านเออใช่ใช่ใชทำลายจิตผู้รู้พอทำลายจิตผู้รู้แล้วจิตจะพัฒนาไปสู่ควาเป็นธ า, าตุรู้นะธาตุรู้เนี่ยมันเป็นอามตธ า, าตุอามะตะธรรมหลวงตามหาบัวท่านเรียกธาตุรู้นี่ว่าธรรมธาตุ สมเด็จพญานาฏสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณท่านหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งไม่ว่าจิตหนึ่งหลวงปู่ดูลท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจเนีแต่ละองค์ท่านจะเรียกต่างๆกันหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกตัวนี้ว่าใจเดียวชื่อต่างๆกันแต่ไม่คือธาตุอันเดียวกัน คือธาตุที่บริสุทธิ์เพราะธาตุที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นแล้วมันจะรวมเข้ากับพัติพา น, นมันจะรวมเข้ากับพระติพานเพราะฉะนั้นมันจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายนั้นคือขันขันห้าเกิดแก่เจ็บตายแต่อมาตตาธาตุอมาตตาธรรมนี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนคนละเรื่องกันแต่อันนี้ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยสอนถ้าสอนแล้วคนจะฟุ้งสร้าง หลวงพ่อบอกไว้ให้เป็นแนวทางนะเพราะมันไม่มีคนสอนบอกไว้ให้พวกเรารู้ไว้เท่านั้นแหละแต่สิ่งที่สอนพวกเราคือรู้สึกตัวไปแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานไปรู้ด้วยใจรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจอย่างพอเราพาวนาจนถึงจุดที่เราเห็นว่าสุขกับทุกข์เสมอกันเพราะเกิดเราดับเหมือนกันนะใจก็จะสู่ความเป็นกลางไม่ดิ้นรน ใจไม่ดิ้นรนเนีเรียกว่ามีสังขารู้เปกขายานไม่ดิ้นรนเพราะมีปัญญาเห็นความจริงของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์เมื่อใจหมดความดิ้นรนนีนะใจจะเป็นสมาธิที่แท้จริงนะแล้วถ้าบุญบา ร, รมีเราพอแล้วยินสีเราแก่กล้จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิมันรวมของมันเองเราไม่ต้องเข้าฌานจิตมันเข้าของมันเอง เมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเดินกระบวนการเจริญปัญญาในขั้นละเอียดในฌานนะสองสามขณะเท่านนะั้นแล้วมันจะวางจิตจะทวนกระแสนะจากอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยมันจะทวนกระแสเข้ามาหาที่ตัวผู้รู้พอมันทวนเข้าถึงตัวผู้รู้แล้วเนี่ยอริยมรรคเกิดขึ้นจะเกิดอาการที่แหวกอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตออกจิตจะถูกแหวกอาสวะออกนะจิตตัวแท้ มันก็จะปรากฏขึ้นมาตัวธาตุรู้จะปรากฏขึ้นมาอาสวะกิเลสที่แฝงอยู่ถูกทำลายลงไปครั้งที่หนึ่งก็ถูกทำลายไปบางส่วนนะเมื่อกลับมาเป็นตัวผู้รู้ถูกปิดใหม่ครั้งที่สี่นที่ตัวผู้รู้สลายไปกลายเป็นธาตุรู้ขึ้นมาตัวผู้รู้จะสลายไปนั้นหน้าที่ของเราทำแค่ ครู้การู้ใจอย่างที่มันเป็นสะสมปัญญาไปเจ น, นจิตมีปัญญาแก่รอบแล้วเห็นสุขกับทุกเกิดแล้วดับเสมอกันเห็นดีและชั่วเกิดแล้วดับเสมอกันจิตหมดความยินดีหมดความยินร้ายยินดีในสุขยินดีในกุศลไม่มีอนะยินร้ายในทุก์ในอกุศลไม่มีจิตที่หมดความยินดีร้ายจะเข้าถึงความเป็นกลางพวกเราชอบพูดกันนักปฏิบัติอนะ่นะชอบพูดคําว่าอะไรนะ สักว่ารู้สักว่าเห็นดีแต่พูดนะก็สักว่าพูดนั่นแหละสักว่ารู้ว่าเห็นจะทำได้จริ ง, รงต้องมีสังขารูเปรคขายานนะต้องผ่านการเจริญปัญญาอย่างยิ่งมาแล้วเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจจะรู้อะไรสุขทุกข์ดีชั่วนี่เสมอกันนะเห็นตรงนี้แล้วนะยจิตจะเป็นกลางและจิตที่เป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งเนะี่ยตัวนี้คือประตูแห่งการมารุมาตผล ตรงที่จิตเป็นกลางแล้วการบรรลุมรรคผลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้จิตจะทำของจิตเองพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุมรรคผลของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วงนหน้าที่ของเรานะถือศีลมีสมาธิเพื่อเกื้อกูลกับการเจริญปัญญาพอมีปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของใจ ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ไดนะ้พอเห็นความเป็นจริงแล้วก็จะหมดความยินดียินร้ายนะเมื่อหมดความยินดียินร้ายจิตก็หมดความยินหลนปรุงแต่งจิตก็เข้าสู่โล ก, กุตละคือธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนะนี่คือเส้นทางหนูพ้อบริฟให้พวกเราฟังนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่างานของเราคืออะไรรู้ไหงานของเราคืออะไร เออรู้กายรู้ใจต า, ามนะตตาความเป็นจริงนะต้องตามความเป็นจริงนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ดูจิตเดี๋ไปบังคับจิตให้นิ่งไปบังคับจิตให้ว่างไม่ใช่จิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไงกายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไงงานของเราเท่านี้แหละแต่ศีลต้องรักษานะ ข, อ 5, ขอ้อห้าข้อศีลแปดไม่จําเป็นหรอกนะศีลแปดเอาไว้ให้พวกที่จะขึ้นพระนาคาเขาเล่นเงนของเราไต่กระไดขั้นแรกศีลห้าให้รอดก็แล้วกัน แต่ไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็สินขาดสินขาดอย่าเสียใจตั้งใจรักษาใหมนะ่อย่างว่าเจอรักษาศีลให้ดีเจอหน้าเพื่อนพูดตลกโปกหาไปแล้วนะปุ้งสร้างพูดเพอิอเจอพูดเพอิเ อ, พ เ, พอเจอสินดังพร้อยไม่ถึงก็ขาดนะแต่ดังพร้อยนะพูดส่อเสียดเนี่ยสินเสียมากขึ้นแล้วพูดโกหกเนี่ยสินเสียนะตัวร้ายรู้จักส่อเสียดไหม สาเสียคื อ, อยุให้เขาตีกันพูดให้เขาตีกันเรียกว่าพูดสอเสียนะไม่ใช่พูดเสียสีนะคนละนนพูดเสียสี น, ะนอยู่ในกลุ่มมุสาเนะนะั่นแะกแกล้งเขาทรมานเขานะพูดในสิ่งซึ่งไม่มีประโยชน์นะเห็นโทษแกล้งเขา น, ะนี่ศีลด่างทอยทั้งสิ้นเลยถ้าไม่พูดนะแต่เล่นลายทั้งวันเล่น ไลก์ like, กดไลค์ like, กดแชร์ share, เลยทั้งวันออกความเห็นคอมเมนต์ทุกวันนั่นคือฟุงร้านเพ้อเจอศีลเสียง่ายมากเลยอย่างเวลาเราดูข่าวนี่มาเข้าคอร์สคงไม่ได้ดูเขาไล่ยิงกันที่โคราชเนี้ยนะเราไปอ่านแล้วแม่โกรธใจร้ายที่ฆ่าเด็กไหมโทรศาขึ้นแล้วกุศลที่มีกะดับกุศลที่ยังไม่มีก็เกิดเกิดโทรศแล้วเห็นข่าวท่านี้คอมเมนต์ด่าแม่หน่อยนะ เนี่ยศีลขาดแล้วอย่านึกว่าศีลต้องพูดด้วยปากนะแล้วก็ไอ้คำพูดนะใช้มือกดเอานะมันก็คือแทนคําพูด น, นั่นเองนั่นรักษายากนะเหมือนถ้าพลาดพลังศีลขาดแล้วอย่าเสียใจแต่ว่าให้รู้ว่ามันไม่ถูกตั้งใจใหม่ว่าจะพยายามทําให้ดีขึ้นะจะรักษาศีลให้ดีขึ้นตั้งใจอย่างเนี้ย มันเป็นไปได้ตั้งใจจะไม่ให้สิ่งาดเลยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ภูมิของเรานะไม่ใช่ภูมิของเราเพราะงนไปทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถือศีลห้าไว้แบ่งเวลาปฏิบัติดูกายดูใจเอาเตงในรูปแบบทุกวันนะทำไมต้องมาทำในรูปแบบมันเหมือนนักมวยการทำในรูปแบบคือการซ้อมมวยการปฏิบัติในชีวิตประจาวันคือการชกมวย ถ้าไม่เคยซ้อมมวยอยู่ๆขึ้นโชกตายแน่นอนเลยอย่างพวกเราไม่เคยฝึกซ้อมในรูปแบบนะออกมาอยู่ในชีวิตจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวก็สติแตกแล้วแต่ถ้าเราเคยฝึกซ้อมเวลาเราทำในรูปแบบเนะี่ยอายตนะที่เราใช้เป็นหลักมีสองตัวเองนะคือกายใจอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยแหมมันร้อนลาคาญขึ้นมาแล้วมันร้อนนี่กายใช่ไหม นั่งอยู่ใจฟุ้งซ่านนี่ใจงั้นตอนที่ทําในรูปแบบนี้อายตนะเด่นมีสองตัวคือกายกับใจเราลดอายตนะอีกสี่ตัวลงเวราเราไปฝึกง่ายเ น, นี่ยร่างกายร้อนแล้วร่างกายปวดแล้วใจมันทุรนทุรายรู้ว่าใจทุรนทุรายใจหนีไปคิดเรื่องนี้ใจโกรธขึ้นมานรู้ว่าใจโกรธรู้อะไรที่ปฏิบัติในรูปแบบรู้ใจตัวเอง แต่มันรู้ผ่านการกระทบทางกายกับทางใจนะนี่พอเราชำนาญในการสังเกตใจตัวเองนั่งอยู่ร้อนแล้วราคาญนะนั่งแล้วแม่อากาศสบายเคลิ้มใลลมเย็นเย็นสบายนะเพลิดเพลินมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันใจตัวเองจนชำนาญ น, นะพอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยตาเห็นรูปใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราชั่วเราจะเห็น หูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเราก็จะเห็นเนื่องนการทําในรูปแบบเนี่ยมันเหมือนการซ้อมมวยซนะ้อมจนเราชํานาญในการที่จะรู้เท่าทันใจตัวเองพอเราชํานาญแล้วแน่จริงออกมากระทบข้างนอกนี่นะเมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชเลยแต่ว่าก็มีพระมารเรียนกับหลวงพ่ออยู่นะ ท่านบอกว่าในพรรษาเนี่ยท่านอยู่ป่าอยู่ถ้ำคนเดียวเลยไม่พูดเลยไม่ไม่พูดไม่เ อ, อ่ยปากเลยนะปิดวาจาท่านบอกสมาธิท่านแน่แ น, นเปรี้ยเลยพอออกพรรษาแล้วท่านทดลองท่านเข้ากรุงเทพนะเข้ากรุงเทพมาไม่ถึงอาทิตย์เลยไปมัตสเบส์แล้วนะเจอผู้หญิงที่สวยใจมันทนไม่ได้มันเคยติดนิ่งสงบมานานๆนะพอกระทบอารมณ์ทนไม่ได้นะเนี่ยเพราะไม่ได้ฝึก ที่จะรู้ทันใจตัวเองจะไปฝึกบังคับใจให้นิ่งนะมันจะฝึกทําใจให้นิ่งเฉยเยซื่อบื้อนะแต่ใจเป็นยังไงรู้ไปนะนั่งสมาธิอยู่างเงี้ยนะยุงกาดนะโมโหยงนงะนะก็รั่วโม โ, มโหเนี้ยรู้ทันใจว่าใจโมโหนะนั่งสมาธิอยู่นะลมพัดมาเย็นสบายถูกใจชอบรู้ชอบันะ้นอย่างนี้นะนั่งสมาธิอยู่ใจหนีไปคิดถึงแฟนเรานะ แม้สวยนอย่างโน้นอย่างนี้นะราคาเกิดแล้วรู้ว่ามีราคาถ้ารู้ได้ไห้รู้ตั้งแต่ใจหนีไปคิดนะอา้าวพุโทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดตื่นแฝงแล้วรู้ทันอยนะ่างเนี้ยรู้ทันใจกรรมฐานเนี่ยคืองานของใจนะงั้นเรามีหนะ้าที่รู้ทันใจตัวเองไปพอเข้าใจไหมพ่อปรีฟหลักให้เราฟังแล้วนะงานของเราคืออะไรฮะ รู้สึกตัวรู้สึกไปทำอะไรรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะเนี่ยคนเรียนกับหลวงพ่อแล้วชอบบอกหลวงพ่อประมดษสอนรู้สึกตัวอยู่เฉยๆพ่อมึงกูไม่ได้สอนอย่างนั้นซะหน่อยนะรู้สึกตัวเพื่ออะไรเพื่อจะรู้กายรู้ใจได้นะเออจำไว้นะเนี่ยต่อไปนี้เราจะจับแม่นเลยทั้งชาติเลยที่หลวงพ่อสอนเราเนี่ยนะ จ, จําได้แม่นเลยเหมือนหลวงพ่อนะถ้าโดนครูบาอาจารย์จวบเอานะจําแม่นเลยถ้าครูบาอาจารย์ชมเนี้แปบ๊บเดียวลืมแล้วเพราะมันเรื่องธรรมดาว่เาเราขยันภาวนาเนี้ยไปที่ไรท่านก็ชมอ่ะตอนไหนทําผิดไปถูกท่านตูเอานะจําแม่นพวกเราไปฝึกเอานะเพื่อชีวิตที่ดีของเราเองวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์จะมาถึงเราเมื่ อ, อไหร่เราเป็นคนดีแต่ละคนเป็นคนดี มีแฟนมีอะไรนะลูกเราอาจจะติดยาเมื่อไหรก็ได้ไเราบังคับไม่ได้ลูกเราอาจจะถูรถทับตายหรือเป็นไข้หวัดตายอย่างเงี้ยเราสั่งไม่ได้เมียอาจจะนอกใจเราเราห้ามไม่ได้หรือสามีเรานอกใจเราเราห้ามไม่ได้นะทำงานอยู่ดีๆกิจการเฟื่องฟูดีๆนะอะไรเทคโนโลยีเปลี่ยนปั๊บเนี่ยธุรกิจของเราล่มเลย ทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะฉะนั้นเราจะเครียดมากขึ้นมากขึ้นนะคนรุ่นหลังเนี่ยฉนั้นทํากรรมฐานไว้ใจเราจะมั่นคงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอสู้ไหเราจะไม่สติแตกหรอกไม่เหมือนใ้ทหารบ้านนะทวงนี้ไม่ได้ห้าหมืนค่าคนแค่ยี่สิบเก้าคนนีนะฉะนั้นสติแตกฉนะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนการฝึกกรรมฐานเนี่ย คือการประกันชีวิต ท, ที่แท้จริงนะเรามีหลักประกันละ ว, ว่าเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้นไปทำเอานะตั้งใจปฏิบัตินะธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยมันครอบคลุมหมดแล้วที่สำคัญอยู่ที่เราทำเอาเองหลวงปู่ ด, ดูลสอนหลวงพ่อประโยชน์เยอะอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง อ่านนะไม่ให้แต่งไม่ใช่แต่งหนังสือนะแ้่อ่านจิตตนเองจิตมันเป็นยังไงอ่านไปอย่างนั้นนะแล้วเราเจะได้ดนะีไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะเสธทำใจว่างๆไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกนะกายนี่คือตัวทุกใจนี่คือตัวทุกเราทำวัดกันบ้างไหมมีอยู่บทหนึ่งนะบอกว่า สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาโดยสรุปอุปาทานคันทั้งห้าคือตัวทุกสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานคันคือคันที่พวกเรามีนี่แหลนะพระแท้เจ้าสอนให้รู้ทุกงั้นต้องรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่ทำใจว่างนะเ ร, ระวังไว้อนะันไป็นทางน้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อแล้วเสียเวลากราบกันด้วยใจพอแล้ว